จเจริญพรใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยมีไหมมีไหมยกมือสีไม่เคยฟังเลยนะไม่ฟังซีดีไม่เคยเจอไม่เคยฟังมีไม่มากให้หลวงพ่อเทศตามสบายบางที่เขาต้องกําหนดนะว่าวันนี้ขอ ง, ง่ายๆมีคนใหม่ๆที่ไม่เคยฟังมาก ถ้าที่ไหนมีคนเคยฟังบ้างแล้วอะไนะคุ้นๆกับวิธีสอนของหลวงพ่อแล้วอะไรนะเทวทัศธรรมะมันก็จะประณีตมากขึ้นมากขึ้นก่อนจะเทศก็มาตกลงกันกอ่อนะเวลาฟังธรรมะเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมากเลยก็คือสมาธิแต่ไม่ถึงขนาดว่าต้องนั่งเข้าฌานฟังนะถึงเข้าฌานฟังฟังไม่รู้เรื่องแล้ว เห็นพวกเราทําใจให้สบายทําใจให้สงบเราโทรศัพท์มือถืออะไรก็ปิดเสียงซะแล้วก็ถ่ายรูปต้องงดเว้นการถ่ายรูปทําให้วอกแวกสมัยก่อนไม่เข้าใจตอนนั้นมีงานศพหลวงปู่ดุลที่วัดบูรพารามอัานทมนต์อาจารย์มหาบัวไป็นเทพพอท่านเริ่มเทศก็ถ่ายรูปท่านก็หยุด พ อ, พอหยุดถ่ายรูปท่านก็เทศใหม่พอท่านเทศใหม่นะก็เป็นคนละเรื่องกันก็ถ่ายรูปเนี่ยจนท่านครั้งที่สามท่านได้ดุว่าธรรมะหายไปสามกันแนละ้วเรียนธรรมะนะท่านเรียนด้วยใจที่สงบใจที่สบายธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเคร่งเครียดแต่เป็นของจริงจังไม่เครงเครียดแต่จริงจังต้องตั้งอกตั้งใจ ลักษณะการแสดงธรร ม, มของพระพุทธเจ้านะมีสี่อย่างอันแรกท่านแจกแจงให้เราเข้าใจสภาวะต่างๆให้รู้เรื่องเนื้อหาสาระอันที่สองเมื่อฟังทมแล้วเนี่ยท่านจะชักชวนให้ลงมือปฏิบัติการแสดงธรรมลักษณะที่สามให้กําลังใจผู้ที่ลงมือปฏิบัติแล้วติดขัดอะไรต่อนใไเนี่ยท่านให้กาลังใจอันที่สี่ลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนะี่ยร่าเริง ชวนให้ร่าเริงปลุกใจให้ร่าเริงงันธรรมะไม่ใช่เรื่องหงอยหงอยเหงาเหงาธรรมะเป็นเรื่องเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานร่าเริงมีความสุขธรรมะเราเรียนเรื่องความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตเป็นเรื่องความทุกข์นะแต่ว่าถ้าเราศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจิตใจมันจะร่าเริงมันจะเบิกบานอย่างมันเห็นความตายที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยจะเห็นด้วยจิตใจที่ร่าเริงเบิกบาน งั้นอย่างเวลาพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานหรือพระอรหันต์จะนิพพานครูบาจารย์จะมรณาภาพอะไรเนี่ยถ้าเราช่างสังเกตเราจะเห็นเลยว่าวันสุดท้ายของท่านเนี่ยเป็นวันที่ท่านผ่องใสราเรงเบิกบานมากเลยอันนั้นเพราะอะไรเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยท่านกําลังเผชิญกับความตายอะไรตายธาตุขันมันตายร่างกายมันตายความสุขความทุกข์มันจะแตกดับกุศลอกุศลมันจะแตกดับนะจิตมันจะแตกดับ าธาตุขันมันจะแตกาธาตุขันมันจะตายเนี่ยท่านมีสติปัญญามากท่านรู้เลยตัวาธาตุตัวขันนี่มันตัวทุกข์เมื่อตัวทุกข์จะตายท่านไม่หวั่นไหวหรอกมีแต่ท่านยิ่งร่าเรืองเบิกบานจะหมดภาระลนะส่วนพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าร่างกายเราแก่เราก็กลุ่มใจร่างกายเราเจ็บเราก็กลุ่มใจร่างกายจะตายเราก็กลุ่มใจ <pareil. S 1> เราต้องพลัดพลากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักเราก็กลุ่มใจ <así. S 1> นะเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบ บางคนก็มีหัวหน้าที่คนนี้เราไม่ชอบบางคนก็ไม่ชอบคู่สมรสของตัวเองทีแรกชอบตอนหลังไม่ชอบนะการอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบเป็นความทุกขนะ์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นความทุกข์นี่เราจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้มากมายเลยนะมีความอยากเกิดขึ้นแล้วไม่สมอยากก็ทุกข์อีกดังนั้นความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจ อะไรมันแก่ร่างกายมันแก่อะไรมันเจ็บอะไรมันตายร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายใครพลัดพลากจากสิ่งที่รักใครประสบสิ่งที่ไม่รักใครผิดหวังก็จิตใจจิตใจเป็นคนตัดสินว่าอันเนี้ยชอบอันนี้ไม่ชอบตัวที่ทุกเลยเป็นตัวแท้ๆนะก็คือกายเนี่ยมันทุกใจนี้มันทุกถ้าเรามาภาวนาจะเราเห็นความจริงของกายของใจได้ หมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจให้คล้ายคืนร่างกายให้โลกคืนจิตใจให้โลกเพราะเราคืนกายคืนใจให้โลกได้เพราะปัญญาเฉียบแหลมเห็นความจริงแล้วกายในี้ใจนี้มีแต่ทุกข์เมื่อเราคืนโลกไปแล้วเราไม่ได้ไปแบกไปหามกายเอาใจไว้นะไม่มายึดถือเป็นตัวเราของเราไม่ต้องแบยแบกหามอะไรจะเกิดขึ้นกับกายอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเนะี่ยไม่ได้ทําให้เกิดความกระเพื่อมหวั่นไหวของจิตเลย จิตใจมีความสุขมีความสงบอยู่อย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมีแต่ความสุขความสงบความสบายเนี่ยจิตใจที่เราฝึกดีแล้วนะมันจะมีความสุขถ้าจิตใจอย่างของพวกเราก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงก็มีแต่ความทุกข์แม้พอตีนการแรกขึ้นก็ทุกข์มากอันที่สองก็ทุกข์มากอันที่ 20, ยี่สิก็เฉยๆละมันไม่ไหวละแก่ละยอมรับสภาพ แม้ทำไมตอนแรกทุกข์มากปีนการที่หนึ่งทุกข์มากอันหลังๆไม่ค่อยทุกข์เพราะยอมรับว่าแก่ถ้ายอมรับได้นะไม่ค่อยทุกข์หรอกถ้าไม่ยอมรับถึงจะทุกข์มากเนี่เรามาฝึกใจนะฝึกใจจนใจยอมรับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้ได้ถ้าเราฝึกใจจนใจเรายอมรับความจริงของกายของใจได้เราจะไม่ทุกข์ทุกข์จะน้อยลงน้อยลงอย่างบางคนคนที่เรารักจากไปตายสมมุติตาย ก็ทุกมากนะคิดถึงมากอยู่ไปนานๆใจมันเริ่มยอมรับความจริงเออเขาตายไปแล้วล่ะเขาไม่อยู่แล้วอะไรเนะี้ยทําบุญทําทานไปให้อะไรนะความทุกข์ในใจก็ลดลงใหม่ๆ ย, ยอมรับไม่ได้ทุกมากบางคนไปตรวจร่างกายเพราะว่าเป็นมะเร็งยอมรับไม่ได้เลยว่าเราจะเจ็บป่วยขนาดนี้นะเราไม่ได้ทําความชั่วอะไรเลยทําไมเราต้องเจ็บป่วยขนาดนี้ยอมรับไม่ได้ทุกมาก ตอมารักษาไปเรื่อยๆนะั้นโอ้ยิ่งทรมานมากขึ้นมากขึ้นความอยากที่จะอยู่รอดนี่ลดลงลดลงความทุกข์ทางใจก็จะลดลงถ้าเรายอมรับสภาพได้งั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะในชีวิตเราเนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงที่กําลังปรากฏอยู่ได้เราจะไม่ทุกข์ถ้าเรายอมรับความจริงที่ปรากฏขึ้นกับชีวิตของเราไม่ได้เราจะทุกข์มากยิ่งปฏิเสธมันนะความจริงที่ปรากฏเนี่ยยิ่งปฏิเสธมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากเท่านั้น ถ้ายอมรับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาเฉพาะหน้าได้ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะทุกข์จะน้อยลงน้อยลงการที่จิตใจของเราจะยอมรับความจริงได้นะไม่ใช่สั่งให้ยอมรับไม่มีใครสามารถสั่งจิตใจของตัวเองได้จิตใจเป็นอนัตตาทำยังไงจึงจะยอมรับความจริงได้มีทางเดียวก็คือเราต้องพาให้จิตเนียได้เห็นความจริงบ่อย ความจริงของกายต้องดูบ่อยๆความจริงของจิตใจต้องดูบ่อยๆเจนกระทั่งจิตเนี่ยเขาฉลาดเขาเกิดรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วร่างกายเป็นอย่างนี้แหละจริงๆจิตใจเป็นอย่างนี้แหละมีแต่ของไม่เที่ยง <อ immer. S 1> มีแต่ความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่มีแต่ของที่บังคับไม่ได้เนี่ยถ้าใจมันยอมรับความจริงเหล่านี้ได้นะจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนี่ทําอย่างไรทําอย่างไรใจจะยอมรับความจริงนี่แหะ วิธีการที่เราจะพาจิตให้เรียนรู้ความจริงของกายวิธีการที่จะพาจิตให้เรียนรู้ความจริงของจิตใจอันนี้แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคําว่าวิปัสสนาะปัสนะก็าการเห็นวิปแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องเห็นยังไงเห็นแจ้งเห็นยังไงเห็นจริงเห็นไงเห็นถูกต้องก็เห็นความจริงว่ า, ากายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา กานีใน้ใจนี้เราบังคับมันไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างร่างกายจะแก่ห้ามมันไม่ได้ร่างกายจะเจ็บห้ามมันไม่ได้ร่างกายจะตายห้ามมันไม่ได้จิตใจจะปรุงดีจิตใจจะปรุงทุกจิตใจจะปรุงสุกปรุงชั่วอะไรนะห้ามไม่ได้สัอย่างหนึ่งใจจะปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุกปรุงทุกห้ามไม่ได้สัอย่างหนึ่งเนี่ยของจริงนะมันแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ แต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นความจริงในกายในใจของเราเพราะธรรมชาติของเรานะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราถูกสอนให้จิตออกนอกให้ลืมตัวเองมัวแต่สนใจสิ่งภายนอกไม่สนใจตัวเองอย่างพวกเราบางคนเวลาไปเยี่ยมคนออกลูกเห็นเด็กแดงๆเราเช่ า, เามือไปแยมันะนไปโบกๆให้เด็กดูนะเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋กำลังสอนให้เด็กส่งจิตออกนอกนะ เด็กมันจะสนใจอะไรมาแล้วตัวอะไรมันจะมากินเราหรือเปล่าอะไรนะใจมันจะออกข้างนอกมีไหมพวกเราเคยไหมว่าไปเยี่ยมเด็กเกิดใหม่ๆแล้วก็บอกเด็กรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะมีไหม <c oughs> ไม่มีเลยนะมีแต่สอนให้ออกนอกตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เล็กๆให้ออกนอกเจ้าเอ๋เจ้าเอ๋ชวนให้ออกข้างนอกตลอดเลยใจของเราเนี่ยมันเป็นอนัตตาก็จริงนะบังคับไม่ได้ก็จริง แต่จิตใจนนมีธรรมชาติที่ฝึกได้จิตของเราถูกฝึกให้ออกนอกตั้งแต่เกิดเลยให้สนใจสิ่งภายนอกไม่สนใจตัวเองสังเกตไหมว่าเราสนใจสิ่งที่เราเห็นมากกว่าสนใจลูกตาของตัวเองใช่ไหมวันหนึ่งสนใจตาของเรากี่ครั้งสนใจรูปข้างนอกกี่ครั้งเราจะสนใจของข้างนอกเราสนใจเรื่องราวที่ได้ยินสนใจเสียงที่ได้ยินไม่สนใจผูของตัวเอง เราสนใจกลิ่นที่มันสัมผัสทางจมูกไม่ค่อยสนใจจมูกของตัวเองวันหนึ่งสนใจจมูกไม่กี่ทีหรอกจริงๆแล้วไม่ดูไม่ถึงจมูกเลยอตัวเนี้ยตัวนี้ไม่ถือว่าเป็นจมูกในทางศาสนานะนี่เป็นกายจมูกคือเซลล์รับรับกลิ่นสิ่งที่เรียกว่าจมูกเซลล์รับกลิ่นเราสนใจรสมากกว่าสนใจลิ้นของตัวเองเราสนใจสิ่งที่มากระทบร่างกายนะความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็ง มากกว่าจะสนใจร่างกายตนเองเราสนใจเรื่องที่ใจเราไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งมากกว่าที่จะสนใจจิตใจของเราเองเนี่ยรวมความแนละ้วเราไม่ค่อยสนใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งประกอบกันเป็นตัวเราสิ่งที่เราสนใจนะัคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายแล้วก็เรื่องราวทางใจนี่ออกนอกตลอด บรรดารูปเสียงกลิ่นรสผดพะพ้าธรรมารมณ์นี่เรียกว่าอายตนะภายนอกของภายนอกเราสนใจของข้างนอกเราไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอายตนะภายในคือรวมความก็คือเราไม่สนใจตัวเองเรารักตัวเองที่สุดเลยนะแต่เราไม่เคยสนใจตัวเองเราลืมตัวเราเองตลอดเวลาการที่จิตใจเคยชินที่จะออกข้างนอกก็เลยไม่เคยชินที่จะมาดูกายดูใจของตัวเองจึงไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ เพรนก่อนที่เราจะมาฝึกจนจิตใจฉลาดมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยเราต้องมาฝึกให้ย้อนกลับเข้ามาย้อนกลับเข้ามารู้ตัวเองให้ได้ก่อนนะคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจให้เป็นสก่อนถ้ายังไม่สามารถที่จะพาจิตให้มันกลับมาสนใจที่กายที่ใจของเราเองเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ ก็ตรงที่การที่เราจะมาฝึกให้จิตใจกลับข้อหาตัวเองนี่แหละเรียกว่าการฝึกสมาธิสมาธิที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายฝึกเนี่ยไม่ใช่สมาธิในทางพระพุทธศาสนาจริงๆหรอกเป็นสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าซะีกสมาธิที่ฝึกกันนะส่วนใหญ่คือไปฝึกให้นิ่งให้จิตสงบให้จิตเคลิ้มเลิมนะให้จิตนิ่งนิ่งสบายสบายเผลอเผลอลืมเนือ้อลืมตัวสมาธิอย่างนั้นไม่สามารถเอามาเจริญปัญญาได้ สมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์เช่นอะไรไหลไปอยู่กับรูปเช่นเราจุดไฟจุดเทียนขึ้นมานะเรานั่งดูไฟไปเห็นไหมเราออกไปดูรูปหรือไปนั่งฟังเสียงสวดมนต์ไปเคาะไม้เคาะจังหวะอะไรไปนะให้ใจสงบใจไปอยู่กับเสียงใจก็สงบอันนี้จิตออกนอกจิตไปสงบอยู่กับเสียง เนี่ยสมาธิที่ไปอยู่ที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสบางคนทําสมาธิด้วยกลิ่นนะจุดไฟจุดอะไรกลิ่นหอมหอมจุดกัมยานอะไรนี่หอมแล้วก็นั่งหายใจสบายมีความสุขเนี่ยเอากลิ่นมาทําสมาธิก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเนี้ยเอามาทําสมาธิได้หมดเลยแต่เป็นสมาธิที่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่ปธภะหรือบางทีเราก็นั่งบริกรรมพุทโธพุทโธนะ คิดถึงคําว่าพุทโธเป็นความคิดคิดพิจารณากายเป็นความคิดสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้ย้อนเข้ามาที่จิตสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่จิตไปอยู่กับอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นสมถกรรมฐานสมาธิที่สําคัญมากที่เราจะต้องฝึกนะก็ ค, คือความรู้สึกตัวความรู้เนื้อรู้ตัวสมาธิที่จิตใจอยู่กับตัวของตัวเองเรียกว่าจิตตั้งมั่นในความเป็นจริงแล้วสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบ เราต้องมาฝึกให้ได้สมาธิที่ตั้งมัน่นคือให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนถ้าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราจะมาเห็นความจริงของกายจะมาเห็นความจริงของใจไม่ได้เพราะมันไม่มีกายมีใจให้ดูเวลาที่พวกเราใจลอย เ, เห็ไมเวลาที่ใจลอยร่างกายเราก็มีแต่เราลืมมันนึกออกไหมอันนี้เวลาที่เราใจลอยนะจิตใจของเรามีอยู่แต่เราก็ลืมมันเรามัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นมันลืมตัวเองงั้นความใจลอยนี่แหละ มันตรงข้ามกับความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ใจลอยเมื่อนั้นไม่รู้สึกตัวเมื่อไหรรู้สึกตัวเมื่อนั้นไม่ใจลอยจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นเราก็ต้องมาฝึกธรรมชาติจิตนั้นชอบไหลออกนอกอยู่แล้วตั้งแต่เกิดถูกฝึกมาอย่างนั้นต้องมาฝึกใหม่ให้จิตใจกลับมาอยู่ที่ตัวเองวิธีที่จะฝึกให้จิตใจกลับมาอยู่กับตัวเองนะเบื้องต้นต้องฝึกกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเคยพุโทโธให้จิตสงบก็พุโทโธต่อไปแต่ไม่ใช่พุโทโธให้จิตสงบอีกต่อไปแล้ว พูดโธเพื่อจะรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตที่ลืมกายจิตที่ลืมใจตัวเองให้รู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะส่วนใหญ่มันจะหนีไปคิดมันก็ลืมตัวเองเคยทําอาณาปนสติแล้วก็ให้จิตไปสงบอยู่กับลมหายใจก็ทําอย่างเดิมแต่แทนที่จะมุ่งให้จิตน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจนะก็ทํำอาณาปนสติแล้วค่อยรู้ทันจิต นะหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันอรมความก็คือหายใจไปแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปหายใจก็รู้ทันเนี่ยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมานะคนไหนถนัดกรรมฐานอะไรก็ทำอย่างนั้นแต่เดิมเคยทำเพื่อให้จิตไหลไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวนะเคยอยู่กับพุโทโธนะฝึกพุทโธก็ให้จิตไปอยู่ที่พุโทโธก็เปลี่ยนใหม่ฝึกพุโทโธไปรู้พุโทโธเป็นแบ็กกราวตัวหลักที่เรารู้คือจิต แล้วจิตไหลไปเรารู้ทันนะจิตจะตื่นจิตจะตั้งมั่นกลับมารู้เนื้อรู้ตัวได้เคยหายใจแล้วจิตไปอยู่ที่ลมหายใจเรียกจิตไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์นะอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอย่าพุทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าเราพุทโธพุทโธแล้วจิตไปอยู่กับพุทโธเรียกจิตไปอยู่กับอารมณ์เรียกอารมณ์นุปนิชาติเป็นสมถะเคยหายใจนะลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าลมหายใจเป็นอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้นะ าลมหายใจเกิดขึ้นเราก็ไปรู้อยู่ที่ลมจิตไปจาะอยู่กับลมอันนี้ไปเพ่งตัวลมหายใจแล้ว เ, เพ่งอารมณ์ก็เป็นอารมณนุปนิชฌานเป็นสมถะแต่ถ้าเราหายใจนะั้นจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันเรารู้ตัวจิตเป็นหลักไม่ใช่รู้อารมณ์เป็นหลักเราจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาธรรมชาตินะจิตจะต้องคู่กับอารมณ์เสมอมีจิตก็ต้องมีอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้จิตแปลว่าผู้รู้อารมณ์ อย่างความสุขเกิดขึ้นเนี่ยความสุขเป็นของถูกรู้ความสุขเรียกว่าเป็นอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์แบบโรคๆนะอารมณ์หวือหวา emotion อย่างนี้ไม่ใช่อารมณ์แปลว่า objective สิ่งที่ถูกรู้ถ้าเมื่อไหร่เราทํากรรมฐานแล้วเราเอาอารมณ์เป็นหลักนะเราจะได้สมาธิชนิดอารัมมณูปนิชฌานคือ เ, เพ่งอารมณ์ถ้าเมื่อไหรเราทํากรรมฐานแล้วเรารู้ทันจิตเอาจิตเป็นหลักนะ เราจะได้สมาธิชนิดหนึ่งเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตจะตั้งมั่นและจะเห็นไตรลักษ์ได้สมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาเนี่ยรู้อยู่ที่จิตไม่ใช่รู้อยู่ที่อารมณ์นะต้องมาฝึกค่อยๆฝึกไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะจิตไหลไปแล้วรู้หายใจไปจิตไหลไปแล้วรู้รู้จิตเป็นหลักไม่ใช่รู้อารมณ์เป็นหลักนะถ้ารู้อารมณ์เป็นหลักจะเป็นสมถะจิตสงบเฉยๆแต่ถ้ารู้จิตเป็นหลักจิตจะตั้งมั่น จะได้สมาธิชนิดที่สองเรียกว่ารักขณูปนิชฌานสมาธิอันที่สองนี้แหละถึงจะใช้เจริญมีปัสจณาได้เพราะเมื่อจิตตั้งมัน่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยเราถึงจะเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจได้ถ้าจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะมีกายก็ลืมกายมีจิตก็ลืมจิตลืมเนื้อลืมตัวสงบอย่างเดียวอยันนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะพวกเราจาพุทธประวัติได้ไหม ตอนเจ้าชายสิทธัตถะเด็กๆประมาณสามขวบเขาอุ้มไปงานแลกนาเจ้าเจ้าสุดทัวร์นาไปไถนาพวกพี่เลี้ยงก็พาเจ้าชายสิทธัตถะไปไว้ใต้ต้นไม้แล้วพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าแผดดินไถนาเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ตามลําพังพอลุกขึ้นนั่งหายใจจิตของท่านตั้งมั่นขึ้นมาตัวนั้นในตําราก็บอกว่าท่านได้ฌานในปฐมฌานได้อะไรจิตตั้งมั่น ในชาตตัวนี้ในตำราเขาแยกไม่ออกนะว่ามันต่างกับชาตที่ฤาษีฝึกยังไงก็รู้สึกเป็นชาติเหมือนกันเรียกว่าชาติเหมือนกันที่จริงเป็นคนละชนิดกันตอนเจ้าชายสิทธาถาไปนั่งฝึกของตัวเองหายใจไปตามลําพังเนะี่ยจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเข้าชาติจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสามารถเข้าชาตได้หนึ่งสองสามสห้าหเจ็ดแปดถ้าจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์ก็เข้าชาตได้หนึ่งสองสาสี่ห้าหกดปด เข้าได้แปดชาญเหมือนกันนะแต่ว่าอันหนึ่งไปจ่ออยู่ที่ตัวอารมณ์เช่นลมหายใจแล้วจิตไปจยูที่ลมอีกอันหนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเข้าชาญเหมือนกันแต่จุดที่วางของจิตเนี่ยไม่เหมือนกันอันหนึ่งไปวางที่อารมณ์อันหนึ่งวางอยู่ที่จิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยบารมีท่านเต็มนละ้วตนเด็กๆพอท่านทำสมาธิของท่านเองจิตท่านตั้งมั่นขึ้นมาได้เสร็จแล้วท่านก็ลืมอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยของนักปฏิบัติ พวกเรานัำปฏิบัติหลายคนเลยที่หลวงพ่อพบนะตอนเด็กๆ เ, เนี่ยอยู่ๆจิตมันทำกรรมฐานขึ้นมาด้วยความเคยชินได้นะบางคนกลับมาดูจิตได้บางคนจิตตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นได้แต่ลืมหมดทุกไหลนะ่พอผ่านสภาวะนั้นแล้วลืมหมดเลยเจ้าชายสิทธาถาก็ลืมนะตอนท่านอายุยี่ออกไปบวชก็เหมือนที่พวกเราทุกวันนี้คิดถึงการปฏิบัติรม เวลาเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมงานแรกที่เราคิดถึงคือนั่งสมาธิใช่ไหม ช, ชาชัยศรีทัตถาก็เหมือนกันออกจากวังไปนงานแรกที่ท่านคิดถึงก็คือการไปฝึกนั่งสมาธิสมาธิยุคนั้นไปเรียนกับดาบทสองคนนะอารารดาบทกับอุทักดาบทอารารดาบทเนี่ยฝึกได้ถึงฌานที่เจนะอุทักดาบทได้ถึงฌานที่แปดพอท่านไปฝึกนะไม่กี่วันเลยท่านก็สําเร็จฌานอันเนี้ย ในตำราเขาอธิบายไม่ถูกหรอกแล้วทำไมท่านบอกว่าไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเพราะมันไปสงบอยู่ที่อารมณ์ไปยึดสงบอยู่ที่ความว่างที่อรูปจิตไปติดอยู่ที่ความว่างติดอยู่ที่อรูปฌานท่านบอกว่าไม่ใช่ทางท่านพมว่าพอออกจากฌานอย่างนี้มาแล้วนะจิตก็กลับมามีกิเลสใหม่คราวนี้ท่านก็คิดถึงกลับข้างเลยมาฝึกจิตให้มันนิ่งแล้วนะต่อไปฝึกร่างกายบางไปอดกินอดนอนอดข้าวอะไรต่ออะไรนะทรมานตัวเอง ก็มีพื้นฐานเหตุผลเหมือนกันที่ทำอย่างนั้นคนเราเนี่ยมันรักร่างกายใช่มถึงได้เกิดความอยากอย่างโน้นอย่างนี้มรักตัวเองเพนถ้าอยากกินก็แกล้งมันไม่กินอยากนอนแกล้งมันไม่นอนทรมานมันไปเรื่อยหวังว่าวันหนึ่งมันจะหมดความอยากมันไม่หมดฝึกอยู่ตั้งหลายปีนะก็ะไม่หมดสุดท้ายเนี่ยท่านก็มาเรือร้อรึกได้ถึงสมาธิที่ท่านเคยได้ตอนเด็กๆท่านก็กลับมาที่สมาธิอันเดิมที่เคยได้ตอนเด็กๆ ทำอาณาปณะสตินะจนถึงฌานที่สี่จิตตั้งมั่นจิตสงบแต่คราวนี้ไม่ได้ไปสงบอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้สงบอยู่ที่แสงสว่างกลับมาสงบอยู่ที่จิตจิตตั้งมั่นลงที่จิตตอนนี้ท่านได้สมาธิบริบูรณ์เต็มที่แล้วสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตก็คือสมาธิที่จิตมันรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกกายรู้สึกใจได้เต็มเปี่ยมเลยตรงนี้แหละที่ท่านมาเดินปัญญาต่อท่านมาเดินปัญญาต่อมาดูว่า อะไรมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่เพราะว่ามีกายมีใจอยู่ความทุกข์ก็มีอยู่นะท่านพี่นาไปเรื่อยจนกระทั่งท่านรู้ความจริงเลยว่าถ้ามีความไม่รู้อริยสัจนะถ้ามีความไม่รู้อริยสัจอยู่เนี่ยจิตใจจะเกิดความอยากเกิดความยึดถือแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาจะไปยึดกายยึดใจขึ้นมาท่านพี่นามาตรงนี้นะท่านก็บรรลุพระอรหันต์ล้างความเห็นผิดได้นะทำลายเอาวิชาได้ ตรงที่ท่านทําลายาวิชาได้คือท่านแจ้งในความจริงว่าขันห้านี้แหละที่เราว่าตัวเราตัวเรานี่แหละจริงๆไม่ใช่ตัวเราขันห่านี้เป็นตัวทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความสุขความทุกข์ ก, ก็เป็นทุกข์นะกุศลอกุศลก็เป็นทุกข์ขันห่านั้นไม่มีอย่างอื่นมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเนี่ยถ้าเห็นความจริงว่าขันเป็นทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งท่านจะละสมุทัยได้เด็ดขาด เมื่อไรรู้ทุกข์เก็แจ้งมา น, นั้นจะละสมุทัยละตัณหาได้เด็ดขาดนะไม่ต้องมานั่งละเป็นวันๆอีกต่อไปแล้วอย่างพวกเราเวลาความอยากเกิดขึ้นเรามีวิธีละตัณหาไหมเช่นอยากได้มือถือเรามีวิธีไหมก็ไปซื้อสิใช่ไหมได้มาแล้วหายอยากแล้วจะอยากอันอื่นต่อนี่ก็เป็นวิธีที่ละตัณหาอย่างหนึ่งนะทรมานอีกอย่างหนึ่งทรมานมันอยากได้ไม่เอาข่มใจไว้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เลิกไปเองอีกอันหนึ่งสนองไปเลย โตสนองไปเลยเนี่ยตามใจกิเลสนะเรียกว่ากามสุขคริการนิยคตรงที่ต่อต้านปฏิเสธตลอดเลยเรียกอัตตะกิลมตทฐานนโยคไม่ใช่ทางทางคือการเห็นความจริงของกายการเห็นความจริงของใจนะงนั้นก่อนอื่นที่เราจะมาเห็นความจริงของกายของใจได้เราต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนที่เรียนกับหลวงพ่อเคยได้ยินไหมในซีดีในอะไรที่หลวงพ่อบอกว่าตื่นแล้วตื่นแล้วนะรู้ตัวเป็นแล้วจิตตั้งมั่นแล้วมีสมาธิแล้วอันนี้ยังไม่ได้โสดาบันนะ แค่ได้จิตที่ตั้งมั่นพร้อมที่จะเจริญปัญญาเท่านั้นเองงั้นก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาเราต้องมาทําจิตให้ตั้งมั่นเสียก่อนบทเรียนของการฝึกจิตให้ตั้งมั่นถึงเรียชื่อว่าจิตตะศิขาจิตตะศิขาคือทําสมาธิแล้วเรียนเรื่องจิตใช่ไหมพุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตดูท้องพองยุบไปแล้วก็รู้ทันจิตอย่างนี้ถึงจะเรียกจิตตะศิขา ไนั่งสมาธิเราเคลิม้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวลื ม, ลมจิตลืมใจเขาตัวเองไม่เรียกว่าจิตอสิกขาหรอกงั้นสมาธิส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันนะมันไม่ใช่จิตอสิกขาหรอกมันเป็นมิจฉาสมาธิฝึกแล้วลืมเนื้อลืมตัวเราต้องมาฝึกสมาธิชนิดที่จิตรู้เนื้อรู้ตัวให้ได้นะใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ใ จ, รใจหนีไปคิดเรารู้ฝึกอย่างนี้ให้มากทุกวันเราต้องแบ่งเวลาไว้นะเบื้องต้นขอสวันละสิบนาทีเท่านั้นแหละไหวพระสวดมนต์ไปนะแล้วก็ทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง สวดมนต์เฉยๆเลยก็ได้อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระครวาสวดไปนะแล้วใจลอยเรารู้สวดยาวๆไม่เป็นก็เอาพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสวดแค่นี้ก็ได้หรือยังยาวไปเอาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ได้แต่พุทโธพุทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันนะจะสวดยาวๆจิตหนีไปคิดแล้วก็รู้ทันก็เราคนไหนสวดมนต์ทุกวันบ้างยกมือสิ เวลาสวดมนต์เนี่ยจิตใจอยู่กับตัวเองตลอดเวลาไหมหรือจิตแอบไปคิดยิ่งฝึกสวดจนชํานาญนะสวดด้วยไขยสันหลังนะจิตหนีไปรอบโลกเลยนะเนี่ยจิตมันหลงตลอดนะต่อไปนี้เอาใหม่สวดมนต์ไปแล้วจิตไหลไปคิดรู้ทันนะสวดมนต์ไ ป, จ, ไปจิตไหลไปคิดรู้ทันไม่ชอบสวดมนต์ก็หายใจไปหายใจไปจิตไหลไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้ให้มากเลยชอบเดินจงกรมก็ไปเดินจงกรม เดินไปจิตไหลไปคิดแล้วก็รู้ทันนะรู้แล้วอ๋อหนีไปคิดนะไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรนะคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่ามันหนีไปคิดตัวเนี้ยฝึกให้ดีฝึกให้มากถ้าเรามีตัวนี้แล้วจิตเราจะตั้งมั่นจิตเราจะได้สมาธิชนิดที่จะใช้เจริญปัญญาได้ถ้าสงบอย่างเดียวเจริญปัญญาไม่ได้หลวงพ่อทามาแล้วตั้ง22ิปีนะ สมาธิสงบเนี่ยหลวงพ่อชำนาญมากเลยหายใจจึกหนึ่งก็สงบแล้วยังไม่ทันสุดลมหายใจอันเดียวก็สงบได้นะไม่ยากหรอกทำให้ดูก็ได้สงบละดูไม่ทันเนะดูทันเปล่า <c oughs> <c oughs> จะยากอะไรทาสมาธิสงบนะแต่ฝึกให้จิตตั้งมั่นนี่ยากกว่าเพราะจิตของเราไม่เคยตั้งมัน่นจิตของเราไหลตลอดเวลาไหลไปชิดนั่นแหละทั้งวันเลยเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดตอนหลับอยู่คิดไหม คิดตอนหลัพว่าฝันหน้าะคือคิดนั่นแหละนั้นจิตเนี่ยจะหลงไปอยู่ในความคิดเมื่อไร่จิตไปอยู่ในความคิดจิตจะรู้กายไม่ได้จิตจะรู้ใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตไปรู้เรื่องที่คิดซะแล้วธรรมชาติของจิตนะเป็นกฎเลยเป็นกฎของธรรมะเลยธรรมชาติของจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อมันไปรู้เรื่องราวที่คิดแล้วมันจะมารู้กายมันจะมารู้ใจตัวเองรู้ไม่ได้เด็ดขาดงั้นเราต้องมาฝึกนะาจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปรู้จิตจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้น ทีแรกตั้งทีละหน่อยหน่อยไหลไปชั่วโมงหนึ่งรู้ทีหนึ่งต่อไปไหลครึ่งชั่วโมงรู้ทีหนึ่งต่อไปไหลนาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งต่อไปไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกเลยนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นพอมันรู้สึกได้ทีทีเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับรู้ตัวอยู่ทั้งวันพอมันรู้ตัวได้ทั้งวันครานี้เราจะเห็นเลยร่างกายมันเคลื่อนไหวนะจิตมันจะเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายจิตเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจจิตเป็นคนดู ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นในใจจิตเป็นคนดูนะจะแยกออกมาขันมันจะแยกออกอจารย์มหามวโเคยสอนหนะ้าบอกว่าถ้าแยกทัดแยกขันไม่เป็นนีอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาไม่ได้ทําไม่ได้เจริญปัญญาหรอกไปนั่งสมาธินานนิ่งๆนะนึกว่าจะเกิดมากเกิดฝนไม่มีทางเลยเพราะไม่ได้เจริญปัญญามากฝนนั้นต้องเกิดจากการเจริญปัญญานะ พระเจ้าบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ได้บอกว่าด้วยสมาธินะสมาธินะ่เรื่องง่ายๆเลยนะเป็นแค่จุดตั้งต้นพอจิตมีสมาธิจิตรู้เนื้อรู้ตัวจิตตั้งมั่นอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยค่อยเจริญปัญญาจะเห็นว่าร่างกายกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันค่อยๆหัดแยกบางคนเนี่ยพอจิตไหลไปคิดรู้ทันก็จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยถ้าเคยสร้างบารมีมาก่อน เคยเจริญปัญญามาแต่ชาติต่างก่อนพอจิตเป็นผู้รู้ปุ๊บนะขันจะแยกอัตโนมัติเลยจะเห็นเลยว่าร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตเป็นโคนละอันกันนะแยกกันอัตโนมัติเลยนะถ้ามีบา ร, รมีมาก่อนพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาสติระลึกรู้เวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ในใกายในใจจะเห็นฉับพลันเลยว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตใจเป็นอีกอันหนึง่งเป็นอีกขันหนึง่งนี่เรียกว่าแยกขันออกไปละ แล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมานะเคยเจริญสติจเจริญปัญญามาก่อนในชาติก่อนๆพอจิตตั้งมั่นปุ๊บเห็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นนะสติมันระลึกปับ๊บเข้าไปมันจะเห็นทันทีเลยความโลภความโกรธความหลงกับจิตเนี้เป็นคนละอันกันเป็นอีกขันหนึ่งเลยเนี่ฝึกอย่างนี้นะมันจะขันแยกออกไปถ้าขันแยกออกไปแล้วจะได้อะไรเราจะเห็นว่าขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเรา การที่จะมาเจริญตัญญาเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเนี่ยทำด้วยการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวตนออกเป็นส่วนๆเหมือนอย่างเรามีรถยนต์หนึ่งคันเราก็ว่ารถยนต์มันมีจริงๆจับมันถอดเป็นชิ้นๆลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์กันชนก็ไม่ใช่รถยนต์พวงมะลัยไม่ใช่รถยนต์เบาะก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์เองยังไม่ใช่รถยนต์เลยแต่ว่าอาศัยสิ่งเหล่านี้มารวมกันเข้าก็เกิดเป็นรถยนต์ขึ้นมา สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันจริงๆตัวเราไม่มีแต่มันเป็นขันห้ามาประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะหรือเรียกอายตนะหมาประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะถ้าเราสามารถแยกออกเป็นส่วนๆได้ เ, เราจะพบว่าตัวเราหายไปถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตมันจะเห็นทันทีเลยว่าร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตตั้งมั่นอยู่นะสติระลึกรู้เวทนาความสุขทุกข์ก็จะเห็นว่าความสุขทุกข์ อยู่ต่างหากไม่ใช่จิตคนละอันกันไม่ใช่ตัวเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นก็จะเห็นอีกกิเลสก็ไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่จิตนะแยกออกไปอยู่ต่างหากดูตัวจิตเองก็เกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดเดี๋ยวเป็นจิตผู้เพ่งเดี๋ยวเป็นจิตผู้ดูเ<ๆ>ดี๋ยวเป็นจิตผู้ฟังนะเดี<ๆ>๋ยวเป็นจิตผู้ไปดมกลิ่นผู้ไปลิ้มรสผู้ไปรู้สัมผัสต่างกายเดีด๋ยวเป็นจิตนิ่งๆสารพัดจิตจิตเองก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในที่สุดมันก็มีปัญญานะจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วจิตเป็นของจิตเองจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจการที่เรามาเห็นความจริงของกายของใจแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปนะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้นะบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของเกิดแล้วดับไปทั้งสิน้นมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นอย่างนี้แหละซ้ําแล้วซ้ำอีกลงในกายในใจสุดท้ายนจะรู้เลย ร่างกายไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความจําไม่ใช่ตัวเราความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นตัวรับรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราสุดท้ายหาตัวเราไม่เจอในขันท่านี้นี่แหละเรียกว่าวิธีเจริญปัญญานะแยกตัวเองออกเป็นส่วนๆแล้วเห็นความจริงของแต่ละส่วนว่าไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีมีแต่ตัวทุกข์ถ้าเห็นได้อย่างนี้ก็จะได้ธรรมะเป็นลําดับลําดับไปนี่บางคนไม่อย่างนั้นบางคนชาติก่อนไม่ได้ฝึกเจริญปัญญามา งั้นได้ยินหลวงพ่อสอนนี่จะงงจิตมันไม่แยกนะบางทีพอรู้ตัวเป็นแล้วนะจิตมันยังไม่แยกขันเลยกายเวทนาจิตทำรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในรวมเป็นกระจุกเดียวอยู่กันนะจิตก็ตั้งมั่นเฉยอยู่กันนะไม่ยอมแยกไม่เห็นว่ากายกับจิตเป็นโคนละอันไม่เห็นว่าสุขทุกข์กับจิตเป็นโคละอันไม่เห็นว่าดีชั่วกับจิตเป็นโคละอันไม่เห็นถ้ามันไม่เห็นต้องช่วยมันตรงเนี้ต้องมีวิธีช่วยมันนะ งั้นสรุปก่อนเดี๋ยวยังงอันแรกต้องฝึกให้รู้สึกตัวให้จิตตั้งมั่นก่อนวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นก็คือทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่ไม่ได้ฝึกให้จิตไปสงบกับกรรมฐานอันนั้นทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตจิตหนีไิคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยบางคนซึ่งเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆแล้วขันมันจะแยกออกไปเอง ถ้ามันไม่แยกเราต้องช่วยมันแยกเบื้องต้นต้องคิดพิจารณาเวลาอย่างเรานั่งอยู่อย่างเนี้ยพอใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูได้แล้วนะค่อยๆนั่งไปนั่งด้วยความอดทนไปเรื่อยแล้วค่อยๆสังเกตไปร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นคนดูร่างกายเป็นคนนั่งค่อยๆดูอย่างนี้ร่างกายมันหายใจแล้วก็เห็นว่าร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูดูอะไรดูร่างกายที่หายใจแล้วค่อยๆฝึกอย่างเนี้ ค่อยฝึกร่างกายเดินไปเดินจงกรมเห็นร่างกายเดินจิตเป็นคนดูดูอะไรดูร่างกายมันเดินจะค่อยๆฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยนะในสุดจะเห็นว่ากายกับจิตนะเป็นคนละอันกันแยกกายกับจิตจะง่ายนะสำหรับบางคนบางคนแยกไม่ออกบางคนชอบแยกนํามาทําถ้าแยกรูปร่างกายกับจิตไม่ออกนีก็อย่าเพิ่งตกใจบางคนไม่เหมาะกับการดูกายก็มาแยกเรื่องความรู้สึกในใจ เวลาความสุขเกิดขึ้นดูลงไปสิความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเวลาความทุกข์เกิดขึ้นดูลงไปความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตหรอกเวลาความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นดูลงไปจะเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะดูจากเริ่มจากการแยกไกายกับจิตก็ได้แยกความรู้สึกต่างๆทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์กับจิตก็ได้ฝึกอย่างนี้ก็ได้อันใดก็ได้ สุดท้ายก็สามารถแยกขันได้ไมันจะเห็นว่ากายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตความสุขความทุกข์อยู่อีกส่วนหนึ่งกุศลอกุศลอยู่อีกส่วนหนึ่งนึกขันห้ามกระจายออกขันห้ามกระจายออกแล้วเนี่ยก็ดูแต่ละขันแต่ละขันอยากเข้าไปแทรกแซงให้สักว่ารู้ว่าเห็นร่างกายหายใจอยู่ก็แค่รู้แค่เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็แค่รู้แค่เห็นรู้เห็นเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เจี่ยงร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เจี่ยง ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่เที่ยงนะร่างกายมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็กินอาหารเดี๋ยวก็ขับถ่ายนะหมุนเวียนไปเรื่อยเป็นของไม่เที่ยงร่างกายแต่ละอย่างทนอยู่ไม่ได้เช่นร่างกายที่หายใจออกก็ทนอยู่ได้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนไปหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าทนได้ไม่นานก็เป็นร่างกายหายใจออกร่างกายนั่งนั่งได้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถ ที่เราคอยดูเห็นว่ามันทนอยู่ไม่ได้เรียกว่าเห็นทุกขังนะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าเห็นอนิจจังถ้าเห็นว่าไอ้สิ่งที่กําลังปรากฏอยู่ทนไม่ได้นานหรอกนี่เรียกว่าเห็นทุกขังถ้าเราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นอันใดอันหนึ่งก็พอไม่ต้องเห็นสามอย่างเหง็นนันใดอัหนึ่งก็เป็นพระอระหันต์ได้แล้วนะพระอระหันออหต์บางองค์เห็นอนิจจังบางองค์เห็นทุกขังบางองค์เห็นอนัตตาแต่ละคนไม่เหมือนกัน พวกศรัท ธ, ธามากเนี่ยท่านแค่เห็นว่ามันไม่เที่ยงท่านก็รับไม่ได้แล้วท่านอย่ามาตรฐานสูงพวกศรัท ธ, ธามากพอ เ, เห็นว่าเออจิตใจเป็นของไม่เที่ยงนะหมดความยึดถือเลยถ้าท่านไหนทรงสมาธิมากเขาต้องเห็นทุกข์นะจิตเป็นทุกข์ขึ้นมาให้ดูนะก็จะถึงจะยอมปล่อยวางไม่งั้นจิตมีแต่ความสุขงั้นถ้าคนไหนศรัท ธ, ธามากนะแค่เห็นอ น, นิจจังก็ปล่อย คนไหนสมาธิมากเห็นทุกก็ปล่อยคนไหนปัญญามากเห็นอนัตตาก็ปล่อยแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันนะถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันงั้นในใจรักเนี่ยดูเพียงอันใดนหนึ่งเท่านั้นแหละนะวิธีที่จะดูก็คือใจต้องตั้งมั่นออกมาก่อนแล้วก็ขันแยกออกไปกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตนะความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปกุศลอกุศลแยกออกไปทุกวันนี้ที่หลวงพ่อเทศเรื่องนี้ขึ้นมานะคนทําได้นับจํานวนไม่ท้วนแล้วนะ หลวงพ่อคิดว่าเป็นหลักหมื่นขึ้นไปแล้วล่ะไม่ใช่น้อยๆเลยคนที่สามารถแยกขันได้ส่วนคนที่รู้สึกตัวได้นับจำนวนไม่ท้วนนะหลวงพ่อไปเทศที่ไหนที่ไหนนะเยอะแยะเลยแต่ละที่แต่ละทีนะ่คนที่รู้ตัวเป็ น, นเยอะมากเลยคนที่แยกขันได้แล้วนี่ก็นับไม่ถูกเลยเยอะแยะเลยถ้าเราสามารถแยกขันได้แล้วเห็นขันแสดงใจรักได้เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่แล้ว เรามีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจเห็นแต่ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเราทําสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องมีผลบ้างแหละอย่างน้อยๆโสดาบันอะไรนะักควรจะได้บ้างยกเว้นแต่พวกเร็วเกินไปกับพวกดีเกินไปะพวกเล็วเกินไปก็ไม่ได้พวกดีเกินไปก็ไม่ได้เร็วเกินไปเข้าใจใช่ไหมอย่างไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหรันต์อะไรอย่างนี้นะอย่างนี้ภาวนามไม่ขึ้น ด่าพระอริยะภาวนาไม่ขึ้นอย่างข้าพ่อข้าแม่ขอขมานะก็ไม่หายนะชาตินี้ภาวนาไม่ได้หรอกแต่อย่างด่าพระอริยะขอขมาชนะอยากภาวนาต่อได้ยังมีโอกาสได้เงินบาปกรรมบางตัวที่เป็นกรรมไม่ดีก็ขวางการบรรลุมรรคผลกรรมดีบางอย่างก็ขวางการบรรลุมรรคผลเช่นปรารถนาพุทธภูมิอยากเป็นพระพุทธเจ้ามาช่วยสัพพสัต จิตไม่บรรลุมรกคผลออกพอจะเข้าไปสู่จุดของอริยมรรคจิตจะเด้งออกมาทุกทีเป็นห่วงสัพพสัตว์ห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ห่วงสัตว์โลกไปหมดเลยทั้งที่รู้จักทั้งที่ไม่รู้จักห่วงหมดเลยนะสงสารเมตตาเต็มไปหมดกรุณาเต็มไปหมดเนี่ยความดีก็กว้างได้นะความชั่วก็กว้างได้พวกเราก็คงไม่ดีเกินไปไม่ชั่วเกินไปอรอกเนาะคนกลางๆอย่างพวกเรานี่แหละเหมาะนะทางสายกลางไม่ดีมากไม่ชั่วมากก็พอไปไหวนะหาให้เป็นเท่านั้นแหละ สรุปได้ไหมอันแรกที่ต้องหัดหัดอะไรหัดให้รู้สึกตัวนะให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้วิธีหัดหัดทํำยังไงให้จิตตั้งมั่นเออทากรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วจิตไหลไปเรารู้ทัดจิตหนีไปคิดรู้ทันเดี๋ยวจิตจะตั้งของจิตเองไม่ต้องบังคับหรอกเขาตั้งเองพอจิตตั้งมั่นแล้วทำยังไงต่อแยกขันแยกคาดแยกขั น, ขนให้ดูเลยกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตเป็นคนละอันกัน ความสุขความทุกข์ก็เป็นอีกขันหนึ่งเรียกเวทนาขันกุศลอกุศลเป็อีกขันหนึ่งนะเรียกสังขารขันจิตเป็นวิญญาณขันค่อยๆแยกแยกเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นอะไรเพื่อให้เห็นไตร ล, ลักษณ์ให้เห็นแต่ละขันน ะ, สะแสดงไตรลักษณ์ถ้าขันรวมกันเป็นกระจุกนะไม่สแสดงไตรลักษณ์หรอกนะดูไม่ออกนะแต่ถ้าถ้าขันมันแตกตัวออกไปนะจะเห็นไตร ล, ลักษณนะ์อย่างน้อยเห็นว่นไม่ใช่เราสักอันเดียว ฝึกนะถ้าฝึกไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีควรจะได้อะไรบ้างนะถ้าไม่ดีเกินไปหรือเร็วเกินไปนะะใครเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแล้วยกมือซิมีไหมใครไปฆ่าพระอรหันต์มาแล้วมีไหมเราจะรู้ได้ไงเนาะคงไม่ใช่ตียุงไปตัวยุงเป็นพระอรหันต์คงไม่ถึงขนาดนั้นนะใครทําพระพุทธเจ้าพ่อพระโลหิตมาแล้วในชีวิตนี้นะชีวิตอื่นไม่เป็นไป ไม่มีโอกาสแล้วใช่ไหมเราทําไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าพ่อเลือดไม่ได้พวกเราในห้องนี้ใครทําสังฆเพศมาแล้วบ้างในห้องนี้ที่จะทําสังฆเพศได้นะมีสองคนหลวงพ่อกับครูบาอาสังฆเพศเนี่ยต้องพระเท่านั้นถึงจะทําได้นะฆราวาสทําไม่ได้ฆราวาสทําได้แค่ยุให้พระทําสังฆเพศงั้นเราตัดประเด็นนี้ออกไป ถ้าไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้ฆ่าพระรหัสไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดนะไม่ได้ทำสังฆเพศอย่างนี้ทำไม่ได้สังฆเพศไม่มีอนันตริยกรรมพอจะได้นะพอมีโอกาสนะเห็นไหมให้กำลังใจซะขนาดเลยไม่ทำก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะเสียสุดๆแล้วนะวิธีก็บอกให้แล้วนะกำลังใจก็ให้แล้วต่อไปต้องไปทำเอาเองถ้าไม่ทก็ไม่ได้หรอก ถ้าทําไม่ยากเกินไปที่มนุษย์ธรรมดาๆอย่างพวกเราจะทําได้จะยากอะไรความสุขเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกความทุกข์เกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกก็จะเห็นเลความสุขความทุกข์เปนของแปลกปลอมเดี๋ยวมาแล้วก็ไปเดี๋ยวมาแล้วก็ไปอุสนเกิดขึ้นแล้วก็ไปโลภโกรธลงเกิดขึ้นแล้วก็ไปนี่ดูอยู่แค่นี้จะยากอะไรนะร่างกายหายใจออกแล้วก็ไปร่างกายหายใจเข้าแล้วก็ไปดูของอย่างนี้เรื่อยๆดูบ่อยๆนะ สุท้ายปัญญามันก็เกิดนะเห็นเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับจะเห็นตรงนี้ก่อนนะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเบื้องปลายถึงจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดทุกสิ่งที่ดับนั่นแหละคือตัวทุกนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับตรงที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันตรงที่เห็นว่านอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับอันนั้นแหละภูมิธรรมที่จะเป็นพระอรหันต์นะ นันมีแต่เรื่องกายเรื่องใจนี่เท่านั้นเองดูกายดูใจนี่แหละฝึกมากๆนะต่อไปจิตยอมรับความจริงได้มากขึ้นมากขึ้นใจมัรู้เนี่ยทุกอย่างเกิดแล้วดับต่อไปพอร่างกายมันแก่ตินกาขึ้นเรื่องธรรมดาร่างกายหนุ่มสาวมันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วนะเป็นร่างกายแก่ๆต่อไปร่างกายแก่ๆมันก็ดับนะมาเป็นร่างกายหนุ่มสาวอีกละมาเป็นร่างกายเด็กอะไรอย่างนี้กนะ็หมุนเวียนไป ความสุขความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใครเคยมีความทุกข์หนักๆในชีวิตบ้างยกมือสิะยกมือเลยนะทุกข์หนักะหน้าตายอย่างนี้คงพวกอกหักก็ <c oughs> สมควรหักอยู่บางคนนะทุกข์มากๆเห็นไหมแล้วมันหายไหมหายทุกแค่ไหนก็หายนะบางคนคนที่เรารักตายนะในห้องนี้มีใครที่พ่อแม่ตายแล้วบ้าง ทุกไหมทุกใครเคยลูกตายบ้างมีไหมในห้องนี้มีไหมมีหนึ่งคนทุกมากไหมเออนี่มีสองสามคนระหว่างพ่อแม่ตายกับลูกตายอันไหนทุกเยอะกว่ากันรู้สึกไหมส่วนมากนะถ้าพูดตามมารยาทก็อบอกทุกเหมือนเหมือนกันอันนั้นไม่จริงหรอกส่วนมากเนี้ยลูกตายเนี้ยทุกมากกว่าที่พ่อแม่ตายเพราะอะไร พราเราชาบคิดนะคนแก่ต้องตายก่อนเราสมควรตายแล้วพอใจเราคิดอย่างนี้นะมันมันมันมันยอมรับได้อะ่ะให้เด็กตายก่อนเราเรายอมรับไม่ได้นะเราไม่เคยคิดเลยกล้าคิดไหมว่าลูกจะตายก่อนเราไม่กล้าเลยนะถ้ากล้าคิดไหมว่าพ่อแม่จะตายก่อนเราเรื่องธรรมดาใครก็คิดเพราะฉะนั้นพ่อแม่ตายะทุกน้อยกว่าลูกตายนะเพราะอะไรเพราะใจไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยเตรียมใจให้ยอมรับความจริงอันนี้เลย แต่ถ้าเรามาฝึกเจริญปัญญาเนี่ยเราจะเห็นเลยทุกอย่างมันไม่แน่ทุกอย่างเกิดได้ก็ตายได้ทุกอย่างเกิดได้ก็ดับได้ใจยอมรับความจริงได้นะใจไม่ทุกข์นะน้ําท่วมบ้านใครน้ําท่วมบ้างปีกลายทุกข์ไหมตอนที่น้ํายังไม่มาทุกข์มากรู้สึกไหมออตอนน้ํามาวันแรกๆก็ทุกข์มากเหมือนกันแต่ว่าเออรู้แล้วรู้รอดวะตอนท่วมไปเดือนสองเดือนรู้สึกไหมชัดชินนะ้วพอน้ําหายไปชักเหงาเหงา ทำไมอ่ะทำไมความทุกข์มันลดลงเพราะใจมันยอมรับได้เพราะฉะนั้นเรามาฝึกดูใจของเราดูกายของเราเรื่อยๆนะจนมันยอมรับความจริงทุกอย่างมันชั่วคราวกายนี้ก็ของชั่วคราวใจนี้ก็ของชั่วคราวกระทั่งกายกระทั่งใจเรายังไม่ของชั่วคราวแล้วของในโลกนี้ก็ชั่วคราวหมดเราไม่มีความหมายอะไรแล้วเพราะของที่เรารักที่สุดก็คือกายกับใจของเรานี่เองเนี่ยเรามาหัดปฏิบัตินะต่อไปเราอยู่กับโลกเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราเราทนได้ความทุกข์ไม่มากหรอกเพราะมันยอมรับความจริงได้ จะยอมรับความจริงไม่ได้ก็ทุกมากนะบางคนอกหักนะบ้าตายเลยก็มีนะผูกคอตายยอมรับไม่ได้บางคนอกหักไปหลายรอบแล้วเฉยๆอยอมรับได้ก็ธรรมดาโนอะอกหักได้เดี๋ยวหาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ที่ใจมันยอมหรือไม่ยอมถ้าใจไม่ยอมก็ทุกมากนะใจยอมรับความจริงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเป็นความจริงทั้งนั้นแหละถ้ายอมรับได้ก็ไม่ทุกเท่าไหร่หรอกฝึกไปนะฝึกดูความจริงให้มากจนใจยอมรับความจริงแล้วใจจะไม่ทุก นี่สรุปอย่างนี้เลยนะเอาละพอดีสี่สิบห้านาทีใจจิตออกนอกบ้างออกหมดห้องเลยทำมา <c oughs> ใช่ไหมไมันสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นใไหมไม่สนใจตัวเองรักตัวเองไมมรักนะแต่ไม่สนใจอาภัพที่สุดเลยคนที่อาภัพที่สุดก็ตัวเราเองนี่แหละครับก็ปฏิบัติทางดูจิตมาประมาณสักสี่ห้าปีแล้วนะครับ แต่ว่าก็ยังรู้สึกตัวน้อยอยู่นะครับในแต่ะวันนี้ก็จะรู้สึกตัวไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, มากนะครับทีนี้ถึงร้อยครั้งไหมน่าจะประมาณร้อยครั้งครับร้อยครั้งอย่างประมาทนะครั บ, ร บ, รบอย่างประมาทพระพุทธเจ้าเคยถามพระทั้งหลายว่าวันหนึ่งเนี่ยคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งบางองค์ก็หนึ่งครั้งสองครั้งท่านว่าประมาท นนนท่านบอกท่านคิดถึงความตายเวละร้อยครั้งนึกว่าชมนะพระเจ้าไม่ชมประมาทเราตาทาคเุเนี่ยคิดถึงความตายทุกขณะจิตคําว่าคิดถึงความตายทุกขณะจิตในชีวิตเซ็งไหมไม่เซ็งนะคนละเรื่องกันมันเป็นคําพูดเท่านั้นเองท่านเห็นความเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตนั่นเองนะ สติของท่านบริบูรณ์สติเราไม่บริบูรณ์ถ้าเราเห็นความเกิดดับวันละร้อยครั้งใช่หลงหลงยาวๆนะเรารู้ตัวแล้วก็หลงยาวๆเรารู้ตัวเนี่ยวันละร้อยครั้งนะ ก, ก็ต้องฝึกอีกนะฝึกเอาให้ได้พันครั้งนะได้พันครั้งแล้วฝึกให้ได้หมื่นครั้งนะฝึกแบบใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะแล้วพระพุทธเจ้าท่านชมเชยท่านบอกถ้าเรามีชีวิตแบบมีสตินะคืนเดียวนะ ท่านชมเชยดีกว่ามีอายุตั้งร้อยปีแล้วไม่รู้สึกตัวนะงั้นเราพยายามรู้สึกที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้นะไม่ใช่แย่อย่างที่พูดหรอกเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมก็รู้สึกว่าความทุกข์ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนนะมันห่างออกไปนะรู้สึกไหมว่ากายกับใจแยกจากกันตัวนี้ดูออกไหมยังรู้ไม่ค่อยออกครับเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์ประจิตเนี่ยเป็นคนล้าน พอๆได้ครับนเห็นไหมว่ากิเลสกับจิตเป็นโคนละอันกันออย่างนี้ก็เรียกว่าแยกขันเป็นแล้วนะก็แยกอะไรกิเลสกับจิตโคละอันกันก็คือสังขารขันกับวิญญาณขันโคละขันกันถ้าเราแยกขันได้อย่างน้อยมีจิตอยู่อันหนึ่งแล้วมีอันอื่นอยู่แค่นี้ก็ใช้ได้ละเราจะเริ่มเห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีหรอกนะค่อยๆฝึกไปนะใจจะค่อยคลายจากความทุกข์ไปด้วยที่ฝึกอยู่ถูกแล้วล่ะดีแล้วล่ะนะทําได้ดีเชละ น้ัสการเจ้าค่ะอกก่อนโยมจะใช้ดูลมหายใจพุทธข้าวโทออกอืมเหมืนอนหลวงพ่อเลยแต่นี้ก็เป็นอนาปัสติตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นพุทโธพุทโธพุทโธอืมได้พุทโธพุทโธตัวโสามครั้งติดกันได้ฐานจิตจะมาอยู่ตรงปลายจมูกถูกแล้วได้ได้ไหมเจ้าค่ะได้ฐานจิตพุทโธไว้ที่ปลายจมูกได้เพราะนั้นเราต้องทํำนะให้จิตตั้งมัน จิตตั้งมั่นไม่ใช่ตั้งด้วยการบังคับไว้แต่ตั้งขึ้นมาด้วยการที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดอย่างหลวงพ่อหายใจจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดเพราะฉะนั้นจิตที่ไหลไปคิดนะแล้วเรารู้ทันเนี่ยมันจะตั้งมั่นอัตโนมัติฝึกตัวนี้ให้เยอะเลยเมื่อจิตตั้งมั่นได้จิตไม่ฟุ้งซ่านไปไหนแล้วก็คอยมาแยากกายแยกใจดูกายดูใจต่อหรืงจะเรียกว่าเจริญปัญญาของโยมยังคิดเยอะไป อย่างช่างคิดไปนะงั้นให้รู้ทันจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านบ่อยๆเว mm hmm. ลาจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันรู้ให้มากเลยงันออจะหายฟุง้งนะตอนนี้มันมันเป็นตื้อๆว่าจิตนฐานจิตไปเพ่งมากตรงฐานจิต<ป>ใช่ไหมคะใช่เพ่งมากไปไม่เพ่งก็ฟุ้งเลยปลัวฟุ้งก็เลยเพ่งนะทําใจให้สบายนะฟุ้งก็ฟุงฟ้งฟุ้งเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นเอง ถ้าไปเพ่งนะี่อึดอัดตึงเกินไปนะถ้าฟุ้งซ่านแล้วลืมกายลืมใจนี่ริหย่อนเกินไปถ้ากลัวจะหย่อนแล้วก็เพ่งไว้ก็ตึงเกินไปจะแน่นๆหนักๆบางคนปวดหัวเลยนะบางคนคอเครียดหลังเครียดนะไหล่เครียดบางคนภาวนาจะยอกไปทั้งตัวนั่งสารจริงๆเลยอยากพ้นทุกข์นะแต่ภาวนาจะทุกข์ทุกข์หนูนั่งสารของโยมรู้สึกตัวบ่อยๆนะใจไหลไปแล้วรู้ไหลเรารู้อย่าไปว่ามัน แล้วแบบโยมได้ยินเสียงสวดมนต์บ่อยๆอะเจ้าค่ะจะให้ให้รู้ทันจิตไปอ๋อใชนะได้ยินเสียงสวดมนต์จิตพอใจรู้ว่าพอใจจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยดูเข้ามาที่จิตนี่น่าเชิญกราบแมวัตรการครับอันนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมหลวงพ่อถามบ้างเห็นถามแต่หลวงพ่อข้างเดียวเห็นครับเห็นแล้วจะถามอะไรสงสัยก็รู้ว่าสงสัย ออพอน่าก็เป็นนะ้วนี่ อ, อ้ว่ามาคือตอนนี้มันเห็นกายมันอืทุกบ่อยมากเออก็เลยสงสัยว่าผมป่วยมากขึ้นหรือผมเห็นชัดกว่าเดิมะครับก็สติมันดีขึ้นนะอะไรเกิดขึ้นนิดนิดไหนไนมันก็รู้ชัดนะสังเกตไหมใครป่วยกายมันป่วยนะครับใจเป็นคนดูกายกับใจมันแยกกันกายมันเจ็บ กายมันแก่กายมันตายไม่ใช่ตัวเราจริตเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ฝึกนะ อ, อย่างนี้นะจิตจะทรงสมาธิมากขึ้นมากขึ้นบางคนหายป่วยได้นะครับแล้วอนุญาตครับแล้วอย่างถ้าเรารู้สึกเจ็บเนี่ยเราใช้สมาธิไปเพ่งตรงนั้นได้ไหมครับได้อ น, นันเป็นสมถะแต่ถ้าจะเจริญปัญญานะเอาอีกแบบหนึง่งเวลามันเจ็บขึ้นมาเนี่ยให้เห็นเลย ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกอยู่ในร่างกายไม่ใช่ร่างกายหรอกแล้วความเจ็บก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกครับแยกกายแยกเวทนาแยกจิตออกจากกันไปเรื่อยๆนะครูบาอาจารย์จะไม่นิยมให้หนีความเจ็บป่วยหรอกในประวัติหลวงปู่มัน่นหลวงพ่อไม่ทันท่านท่านมารณภาพไปก่อนหลวงพ่อเกิดอีกอ่านประวัติท่านที่อาจารย์มหาบัวเขียนว่ลูกศิษย์ท่านเป็นมาเรลลียหรืออะไร แล้วปวดมากปวดมากก็หนีเข้าสมาธิเลยนะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วไม่มีร่างกายออกจากสมาธิหลวงปู่มั่นมานั่งรออยู่แล้วนะบอกเราไม่ได้สอนให้ทำตัวเป็นฤาษีชีพไรแบบนี้นะนะเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาก็แยกคาดแยกขันไปพิจารณาไปต่อสู้เอานะมันถึงจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดถึงจะหลุดพ้นไปอย่าหนีนะสู้เอาถ้าสู้ได้ครับขอบพระคุณครับ ถ้าสู้นะเราก็เจ็บชาติเดียวถ้าไม่สู้เราก็เจ็บไปเรื่อยๆกราบนมามัสการค่ะเมืม่อสักครู่ตอนเข้ามาใหม่ๆจิตมีโมหะมากค่ะอตอนนี้ก็ปลอดปลอโปร่งลงเบาค่ะ ม, มีจิตตั้งมั่นค่ะถูกต้องเห็นหรือยังว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะพ อ, อนานะพนาดีแล้วใช้ได้ขอบคุณค่ะกายกระใจคนละอันไหมใช่ค่ะ เห็นไหมสุขทุกข์กับจิตใจกับร่างกาย ก, ายก็คนละอันเห็นไหมกิเลสกับจิตใจก็คนละอันเห็นไหมไม่มีอะไรเลยที่บังคับได้เห็นแต่ยังยอมรับไม่ได้<笑><笑>ดูไปอีกนะที่ทํานะถูกแล้วล่ะทําได้ดีเฉะละี่ยค่ะส่งกันบ้านมาหลายท่านแล้วนะสี่ท่านเนี่ยใช้ได้ใช้ได้กรารนมัสการหย ก, กขัน <ลง S 2> ได้ว่าไงกาบนมัสการค่ะ ดิฉันปฏิบัติดูกายดูจิตอืแล้วก็เพืจะขอคาแนะนําจากท่านค่ะก็ดูก็ดีแล้วนี่ดูไปเรื่อยทําตัวเป็นคนดูเห็นกายมันยิ้มจิตเป็นคนดูเห็นไหมกายกับจิตเป็นโคนละอันกันที่ว่าดูกายดูจิตเนี่ยนะเวลาดูต้องดูให้เห็นนะว่ากายมันก็อันหนึ่งจิตมันก็อันหนึ่งความสุขความทุกข์ก็เป็นอีกอันหนึ่งกุศลกับอกุศลก็เป็นอีกอันหนึ่งหัดแยกเล่ยได้ ถ้าไม่แยกนี่นจะทําแต่สมาธิสงบอย่างเดียวต้องหัดแยกค่ะกล่าวขอพอบคุณค่ะรู้เรื่องแล้วด้วตื่นเต้นอ่ะฮะตื่นเต้นแล้วรู้เรื่องอยังนะอ่ะว่ามากล่าวนมัสการนะครับเ อ, อตอนนี้ไม่มีอะไรจะส่งแล้วครับอืส่งไม่ครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกตัวได้มากขึ้นแล้วก็การแทรกแสงก็น้อยน้อยลงครับดี หลวงพ่อสอนแรกๆนะนว่าคนแอนตี้เยอนะเอาธรรมะชั้นสูงมาสอนกว้างๆยังไม่ได้ต้องสอนวงแคบไม่เห็นเป็นไรสอนกว้างๆคนก็ทําทได้เยอะแยะเลยเราไม่ได้หวงธรรมะนะีว่าหวงแหนปกปิดซ่อนเะไรธรรมะของพระพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มแจ้งได้ยินได้ฟังก็ดีโมไปแล้วได้ยินได้ฟังนะแล้วนะนะมาหัดภาวนาฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กันเน้อก็ตัว จเจริญปัญญาแยากธาตุแยกขันธ์แยากกายแยกใจเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยไปมรรคผลมันจะไปไหนคารวะาก็ทำได้ไม่ใช่คารวะาทำไม่ได้ดีที่ฝึกอยู่นะจิตถึงฐานหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าก็รู้รู้เนื้อ ร, ร, ร, รู้ตัวไ ด, ได้ดีครับขนาเนี้ถึงไหมขณะนี้ขณะนี้มไม่น่าถึงไม่ถึงไม่ถึง ลองย้อนกลับมาดูจิตสิมันจะเด้งออกลองย้อนไปดูเห็นไหมมันดีดออกไหมยังยังไม่เห็นครับเวลาเราจิตออกนอกนะจิตไปกระจายกว้างๆอยู่ข้างนอกติดอยู่ในภบภายนอกเนี่ยแล้วเราย้อนมาดูจิตนะมันจะเข้ามาไม่ถึงจิตมันดูเข้ามามันจะดีดออกดูเข้ามาแล้วมันจะดีดออกนี่เราก็ยังนึกว่าเราดูจิตอยู่ความจริงดูไม่ถึงจิตนะหลวงพ่อก็เคยผิดอันนี้อาจารย์มาหาบัวแก้ให้ ตอนนั้นท่านอยู่บั ي, ตรตาแข็งแดงยังฉันข้าวอยู่ข้างบนสาลาไม้ข้างบนตอนท่านตักอาหารในนี้นะพระตักให้ท่านท่านว่างๆอยู่ก็เข้าไปกราบท่านบอกท่าจาย์ขาโอกาสครับท่านหันมาปุ๊บเดี๋ยวก่อนเทียวก่อนเรายังไม่ว่างท่านก็ดุพระองค์โน้นองค์นี้ไปเลยนะทำอะไรไม่เรียบร้อยอะไรท่านดุดุพอได้ที่ท่านก็หันมาว่ายังไง พ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตเอ๊ะแต่ช่วงนี้ผมดูแล้วมันไม่พัฒนามันไม่ก้าวหน้าเลยท่านฝันแสบหน้าเลยบอกที่ว่าดูจิตนะเดี๋ยวนี้ดูไม่ถึงจิตแล้วนะเออต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่าน่าอย่างนี้บอกครับครับเดี๋ยวจะไปดทดสอบดูเอ๊ะนึกไม่ออกทาไมท่านให้บริกรรมว่ามาพุโทโธพุโทโธจิตไม่เอาพุโทโธ พอพุทโธพุทโธนะจิตมันแน่นขึ้นมาจิตมันทุกข์ขึ้นมาเหมือนโลกจะแตกเลยนึกขึ้นมาพิจรารณาเอ๊ะทำไมท่านให้บริกรรมก็พบว่าอ้อเราทิ้งสมถะกรมรมฐานไปนานนะเราไม่ได้ฝึกให้จิตตั้งมั่นอาศัยสมาธิที่ฝึกมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมาเจริญปัญญารวดไปอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้จิตไม่ถึงฐานแล้วพอรู้ว่าจิตไม่ถึงฐานนะหลวงพ่อก็ใช้หายใจหลวงพ่อไม่ถนัดพุทโธ ตอนเด็กๆนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งด้วยซ้ำไปต่อมาพอฝึกไปมากๆเข้าเหลือแต่ลมหายใจพุทธโท ร, รู้สึกเป็นส่วนเกินใจไม่เอาก็มันึกท่า น, นอาจา ร, รย์มหาบัวท่านพุทโทรเราพุทโทแล้วใจเราไม่ชอบใจเราชอบหายใจเราก็หายใจออกหายใจแล้วเรารู้ทันจิตที่ออกนอกจิตที่กระจายกว้างๆแล้วก็เข้าที่เองนะเข้ามาเหมือนการ บ, บริกรรมนั่นแหละของคุณต้องทํากรรมฐานสนักอันหนึ่งนะเรารู้ทันว่าจิตออกนอกอยู่ จิตถึงจะเข้ามาครับสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นครับครับกล่าวขอบพระคุณครับคำถามหมดแล้วครับหลวงพอ่อโอ้ดีจังที่นี่ดีผู้มีปัญญามากถามน้อยน <c oughs> ่ะจบครับขอกาบเรีนเชิญนบุญสง่งถวายพระไตรจีวร น, นะครับพวกเราขอพนมมือนะครับตั้งจิตตั้งใจถวายสังฆทานกับหลวงพ่อนะครับ โดยให้ท่านรองผู้ว่าการบุญส่งพ้อค้าทองนะครับเป็นอดีตผู้บริหารเราประเคนภ้าไตรจีวรครับพวกเราสาธุพร้อมกันครับสาธ<า>ุรับพร น, นะยถ า, าวาริวะหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวามเมวายโตทินังเปตานางูปะกปติ อิิตังปฏิตังตุมหังคิปเปเมวาสมิจโตสเพปุเรนตูสังตปาจันโทปนารโสยถามณิโชติระโสยถาสพีติโยวิวัชชนตูสภโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภาอาภิวาฒนาสีลิสนิตจังอุทาปจายโนจตารโอธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขขัง หลังศร